เพราะในครั้งนั้นเทวดาเหล่านั้นทั้งหมดนะมาจากหมื่นจั ก, กรวาลมาจากแต่ละจั ก, กรวาลก็มาประชมกันจั ก, กรวาลเดียวพร้อมทั้งเท้ามหาราชทั้ง4ี่เท้าสกกะเท้าสุยามเท้าสันดุสิตเท้าสุนิมิตและก็เท้าวัสวัตตีเท้ามหาพรหมก็คือเน้นพิเศษก็คือพวกกลุ่มมาเจราจาอ่อนวอนนั้นก็เน้นแต่เท้านะธรรมะเท้ า, ากั็แปลว่ากษัตริย์เนี่ยนะราชาแห่งหมูเทวดาทั้งหลาย เทวดาหเหล่านี้ผู้เป็นหัวหน้าก็พากันไปยังสำนักของพระโพธิสัตว์ผู้มีนิมิตแห่งการจุติเกิดแล้วจากภบดุสิทธิ์หมายคาอว่ามีเครื่องหมายบอกแล้วว่าท่านจะตายจากดุสิตเทวดาหเหล่านั้นก็ไปอ้อนวอ น, อนขอร้องว่าข้าแต่ท่านผู้นิรุต์ท่านน้สร้างบารมีสิบนะบารมีทั้งสิบท่านก็บำเพ็ญครบ่ครบเสร็จสิ้นแล้ว แต่เมื่อบำเพ็ญบารมีท่านก็ไม่ใช่บำเพ็ญปรารถนาสมบัติคือเท้าสั ก, กะท่านไม่ได้อยากเป็นพระอินเลยนะท่านไม่ได้ปรารถนาพรมสมบัติเป็นต้นหรือมารสมบัติแต่ท่านบำเพ็ญเพราะท่านปรารถนาพระสัพพัญญุตยานเมื่อมีสัพพัญญุตยานแล้วท่านจะช่วยโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามท่านตั้งความปรารถนาในการสร้างบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยอ้อนวอนเป็นคาถาว่า กาเลยันโตมหาวีระบอกข้าแต่ท่านพระมหาวีระข้าแต่เทวดาพู้กล้ากล้าผู้องค์อาจในหมู่เทวดาเนี่ยนะบัดนี้เป็นเวลาสมควรสําหรับท่านแล้วได้เวลาแล้วขอท่านจงเกิดหรือจงปฏิสนธิในพระคั์ของพระชนนีเมื่อจะอยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามโอคะได้เวลาที่จะไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ท่านก็จะสร้างสะพานคืออรียมรักพาสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามจากโอกคสงสารปกติแล้วพระโพธิสัตว์อันทวยเทพทูลอ่อนวอนอย่างนั้นก็ไม่ได้ประธานปฏิญญารับรองทันทีอ้าวไปเลยเนะมาขอปั๊บทำรับทำทีเลยนะไม่นะคบาบางคนเนี่ยนะที่เราถูกขอร้องยังไม่ใคร่ครวนะรับปากเสร็จแล้วอย่างนั้นนะอันนี้ไม่ใช่จะไม่ใช่เร่รับปากขอพิจารณาดูก่อน ท่านก็เลยพิจารณาถึงปัญจมหาวิโลกะนะบางแห่งในท่านนมิลินท์ปัญหาใช้คาว่าอัับมหาวิโลกะนะวิโลกะนะแปดแต่ตรงนี้ยกมาแค่5มหาวิโลกะนะ5 5อย่างมีอะไรบ้างกาละการเวลาสองทวีปสประเทศสี่ตระกูลกํากำหนดพระชนมายุพระชนนีอธิบายตามลำดับว่าพระมหาบรุษพิจารณาเวลาเป็นอันดับแรกก่อน แรีว่าช่วงเวลาเพราะอะไรเพราะพระโพธิสัตว์หรือผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นพวกกาลันอยู่บุคคลพวกนี้รู้การว่าเวลาไหนควรจะทําอะไรเพราะฉะนั้นจะพิจารณาอันดับแรกคําว่าเวลาเนี่ยว่าได้เวลาอันสมควรหรือยังคําว่าเวลาเนี่ยมันแปลว่าอายุไขของผู้ที่จะในยุคสมัยที่คนจะบรรลุทําได้ น, นะโดยมากยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในโลก จะต้องยุคสมัยที่ไม่เกินแสนไม่ต่ำกว่าร้อยนะพระพุทธศาสนาจะมีอยู่ช่วงนั้นนะทีนี้เลดร้อยมาเนี่ยเชื่อเสียสงไขแสนกลับมาเนี่ยเพิ่งมีองค์ของเรานะีมาช่วงร้อยปีพอดีข้อต่อหลังจากร้อยปีพวกเราเกิดมาเลยทัน น, นะก็เลยได้พอจะได้ศึกษาได้อรหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวากับเขามั่งไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้เดือดร้อนแน่นะ ท, ทีเราก็มีบุญเหมือนกันนะขนาดมาเกิดยุคอับขนาดนี้ก็ยังได้มีศาสนาเนี่ยนะแต่ก็อย่าเพิ่งดีใจกันแล้วกัน เพราะว่าแม่รุ่นปลายฝนเนี่ยนะทำท่าจะตักน้ําดื่มพอดีฝนงวดสุดท้ายยังไงจะทําอะไรได้ก็รองเอากันแล้วกันมีภาชนะอะไรก็รองรับเอาน้ําฝนคือคําสอนเอาไว้เถอะพราะต่อไปจะแรงแล้วว่างั้นนะนะก็เรียกว่าอะไรนะพอยุคมาพวกมาปลายฝนที่ต้องดื่มน้ําฝนเนี่ยเป็นน้ําดื่มเป็นปกติเนี่ยถ้าเก็บน้ําฝนไว้ไม่ไม่พอเนี่ยนะต่อไปกระหายแน่ว่างั้นไม่มีเพราะว่ามันอะไรน้ําคือบุญเนี่ยมันแบ่งกันดื่มไม่ได้เนะบุญใครก็ บนญใครเนียอย่างมากก็ช่วยกันได้นิดๆหน่อยๆนะให้อาหารปลาได้บ้างแค่นั้นหลยทาเกินกว่านั้นก็ยากไม่รู้จะไปช่วยตรงไหนสรุปว่ากาละที่พระโพธิสัตว์จะมาเกิดเป็นามาเกิดเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต้องยุคที่มนุษย์อายุไม่เกินแสนปีเพราะอะไรถ้าเกินแสนปีแล้วไม่ใช่เวลาที่สมควรทําไมจึงไม่สมควรอายุยืนนี่สิจะได้มีเวลาสอนกันเยอะๆใช่ไหม ยิ่งอายุยืนจะได้มีเวลาแนะนํากันเยอะๆบอกตรงกันข้ามไม่ใช่อย่างนั้นหรอกทําไมลนะ่ะก็เพราะว่าในเวลาที่มีอที่มนุษย์อายุเกินแสนปีเนี่ยนะไมแมมันเกิดมาเหมือนไม่รู้จักเกิดจากแก่จากเจ็บจากๆๆๆๆตายไม่รู้เลยนะว่าแก่แก่เจ็บตายมันเป็นยังไงชาติปิทุกค้าชร า, าปิทุกค้ามรณะปีทุกครั้งโอ้ไม่เข้าใจก็ยังสบายดีอยู่ตลอดนี่นก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรอาหารก็บริบูรณ์พูนสุขทุกอย่าง น, นะก็ทุกคนก็ไม่ก็เห็นแก่เลยนะอยู่มาตั้งนานแล้วอยู่มาเป็นแสนแสนปีแล้วคุณมาพูดอะไรชาติพิทาติพิทุกขาชราพิทุกขาเพราะฉะนั้นชาติชาลามรณะเขาแทบไม่ได้ยินเลยเขาไม่เข้าใจและที่สําคัญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพ้นจากไตรลักษ์คือชาติพิทุขาชาลาพิทุกข า, า, า, กขามรณะพิทุกขังไม่มีหรอกยังไงพระองค์ก็ต้องสอนอยู่แล้วว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ แม้ความโศกความร่ําไรรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่อขันห้าเป็นทุกรูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเนี่ยนะมันเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงว่านี่ยนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราอนิจจังทุกขังอนัตตาสัตว์ทั้งหลายก็ไม่สําคัญว่าพระองค์พูออพดในหน้าฝั่ง ก, ก, ก็เหมือนกับร้องเพลงเออฟังเสียงเคราะดีนะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดจะต้องเห็นตามรู้ตามอะไร ก็เลยไม่ควรเชื่อเขาเคยไม่คิดว่าจะต้องเชื่ออะไรเนี่ยนะว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าเทศอะไรกันพระพุทธเจ้าพูดอะไรกันก็เลยไม่เข้าใจจากนั้นถ้าหากว่าเขาไม่สนใจที่จะรับฟังไม่สนใจที่จะใคร่ครวญคําสอนก็จะไม่มีการตรัสรู้ อภิสมัยการกำหนดรู้ทุกละสมุทัยการทำนิโรธให้แจ้งการเจริญอารยมรรคเพื่อโสดาปติมรัสกาธาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคก็ไม่มีเมื่ออภิสมัยการตรัสรู้ทำไม่มีําคำสอนก็ไม่เป็นนิยานิกระมอย่างสมมุตินนะถ้าพูดถึงบอกว่า พวกที่ที่มีอายุเป็นแสนแสนปีเนี่ยก็เหมือนกับเด็กน้อยนที่แบบแม้วาดฝันชีวิตเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยอายุยังยืนยังยาวเนี่ยเด็กน้อยนเนี่ยไปพูดแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เนี่ยนะเขาจะรู้เรื่องไหม น, นะอายุสักสักสิบขวบเลยอะพอเรียกว่ารู้ภาษาพอสมควรนะ น, นะหนูความเกิดมันเป็นทุกข์นะลูกความแก่ก็ทุกข์นะแม้ความตายก็ทุกข์แม้ความโศกก็ทุกข์ เป็นต้นบอกมันรู้ไอศครีมนุ่นอร่อยกว่าเยอะเนี่ยนะมันรู้แต่เรื่องไอศครีมเรื่องขนมนั่นแหละไม่รู้อาริยสัจอะไรพวกที่อายุมากมก็เหมือนกันไม่ได้สนใจอนิจจังทุกขังอนัตตาอาริยสัจชาติชารามระมาไอยากฟังทั้งนั้นแหละเว้ยอย่าว่าคนขนาดนั้นเลยนะอายุสิบขวบจะคูณสิอยู่แล้วขนาดนั้นก็ยังไม่คิดจะฟังเลยบางทีมันก็ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ใส่ใจโยนิโสมนัสการที่จะพิจารณาตามทีม่จะรู้ตามทีม่จะเห็นตาม การตรัสรู้อริยสัจก็ไม่มีเมื่อตรัสรู้อริยสัจไม่มีที่พระพุทธเจ้าสอนก็ไม่เป็นนิยานิกธรรทำคำสอนของพระองค์ก็ไม่สามารถนําสัตว์ออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าอายุเกินแสนปีก็ไม่ใช่เวลาที่สมควรจะประกาศธรรมไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาตรัสรู้เพื่อสอนอริยรสัจสําหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยอายุเท่าไหร่พระองค์ก็ตรัสรู้ได้แต่ตรัสรู้แล้วมันช่วยเขาได้จริงไหมล่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับพระโพ ธ, ธิสัตว์คือช่วยเขาจริงไม่ใช่ช่วยตัวเองจริงถ้าช่วยตัวเองจริงนั้นคือพระปเ จ, จกพระพุทธเจ้าเมื่อไรก็ช่างขอให้บรรลุเป็นใช้ได้กลุ่มนี้จะเป็นพระปเ จ, จกหรือกลุ่มเป็นพระสาวกแต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่สําคัญคือว่าช่วยผู้อื่นจริงได้อย่างไรจริงไหมเนี่ยนะไม่ใช่คิดว่าช่วยน ะ, ะมันใช่เอาทุกไปล้มพับใส่เขาแล้วบอกเนี่ยฉันช่วยเธอนะเอานี่ก้อนนี้ไปกันแล้วกันแล้วก็ภาร้าหัวโตเลยนะ เรีว่าเนื้อไม่ได้อะไรนะเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งกระดูกแขวนคอเนี่ยนะคล้ายๆกลุ่มนั้นก็ไม่ใช่พราะนั้นพระองค์เนี่ยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นกลุ่มที่ช่วยเขาจริงๆพันธ์ถ้าเกินแสนปีก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขามีแต่ความสุขเขาไม่เข้าใจหรอกความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์เนี่ยนะเขาฟังแล้วไม่เข้าใจวัฏฏะมันเป็นอย่างไรก็สบายดีเนี่ยนะมันก็แปลกนะโลกนี่นะถ้าคนเนี่ยยิ้มแป้ทุกอย่างสมหวังหมดนะ ทุกอย่างเป็นดังใจหวังหมดทุกอย่างมีแต่ความสดชื่นคีดอะไรทุกอย่างสมความปรารถนาหมดนะถามว่าจะฟังทำไหมเดินนะยากมากเลยนะถ้าใครเป็นคือคือคนแบบพระโพธิสัตว์มีอยู่คนเดียวว่างั้นเถอะเอาเอาแบบว่าสมบูรณ์พูนสุขนะปราศาสตร์สามหลังเรียกว่าสวยเนี่ยทรงมาทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดเลยร่ำรวยเห äh สีก็สวยลูกก็แหมพึ่งคลอดน่ารักมากแล้ออกบวชเนี่ยนะมีคนเดียวนะ โดยมากก็จะอะไรค่อนข้างมีชีวิตผิดหวังบ้างอะไรบ้างโดยมากจะมีปัญหาแต่กลุ่มคนที่เข้าตรัสรู้เนี่ยน ะ, ะถ้าเป็นกลุ่มสาวกต่อเมื่อมีผู้มาฉุดแล้วนั่นแหละนะแต่ถ้ามีบุญแบบอะไรนะมีผู้ที่เป็นหัวหน้ามาพาเข้าบรรลุนี่เอาแต่ว่าให้บรรลุเองเป็นอสังคาริกเนี่ยยากเหมือนน้อยคนนักที่จะเป็นเช่นกับพระสารีบุตรเนี่ยนะไปดูละครอยู่ไปดูเขาแสดงการละเล่นที่เมืองราชครกนี่แหละ เขากำลังจัดมหรสมการแสดงที่กําลังเพลดิดเพลินเลยนะเสร็จแล้วท่านก็ดูดูไปเออเนี่ยพวกร้องรําทําเพลงร้องเต้นอยู่ในบนเวทีนะถึงร้อยปีมันจะเหลืออะไรบ้างเนี่ยอีกร้อยปีมันจะเหลือชื่อเหลือแท่เหลือนามสกุลเหลือโคตรเหลือตระกูลเหลือผิวพันธุ์รูปร่างมันเหลือแต่กระดูกแน่นอนไอ้พวกนักดูทั้งหลายเต็มลานพวกนี้เดี๋ยวมันก็ตายหมดไม่เกินร้อยปีตายให้หมด เออเราจะนั่งมารอตายอยู่เฉยๆมาดูคขำๆไปวันวันหนึ่งเท่านั้นหรือปกติแล้วโอ้ยตบมือดีใจหัวเราะจ่ายรางวัเลเนี่ยนะท่านรวยมากเลยนะรวยมากเพราะฉะนั้นเป็นที่เราว่าตบรางวัลนี่เรื่องปกติของท่านเลยนะวันนั้นนี่ไม่ตบไม่รางวัลไม่อะไรใครทั้งนั้นนั่งเงียบจ้องเลยนะแล้วพระโมกคลานะก็เป็นด้วยยังไงดีเพราะฉะนั้นเราไปหาพวกเราไปหาโมกกธทํากันเถอะนะ แล้วก็จะคิดกันอย่างไ้เพราะฉะนั้นคนที่จะตรัสรู้ได้นะต้องมีบุญมีวาสนามีอุปนิสัยโดยเฉพา ะ, ะรุ่นที่สำคัญสำคัญนะ่นะสรุปว่าทบทวนว่าถ้าเกินแสนปีแล้วก็ยากนะพระพุทธเจ้าสอนแล้วเขาไม่ฟังหรอกถ้าอายุต่ำกว่าร้อปีเช่นกับสมัยพวกเราเนี่ยนะใครที่มีอัธยาศัยต้องช่วยเหลือกันแมนักเผยแพร่เลยนั้นเถอะ น้องๆลูกหลานพระโพธิสัตว์มาเกิดต้องช่วยผู้อื่นให้ได้เนี่ยนะก็มาดูอว่าถ้าต่ํากว่าร้อยปีเป็นยังไงนะถ้าบอกว่าถ้าต่ํากว่าร้อยปีเนี่ยนะก็ไม่ใช่กาละอันสมควรทํำไมล่ะก็เพราะเวลาที่มนุษย์อายุต่ํากว่าร้อยปีเนี่ยกิเลสเนี่ยมันหนามากไอ้คำว่ากิเลสหนาเนี่ยแปลว่ามันป่วยตลอดเลยนะป่วยทางความคิดตลอดไม่ป่วยโรคหนึ่งก็โรคหนึ่งก็เรียกว่าหาเรื่องจนลาบากใจจนได้บางอันน่ย ป่วยอักเบด้วยราคาบระบั่งโทสะบ้างโมหะบ้างนะนะ่ะพอตื่นขึ้นมาก็อกุศลเกิดแล้วละแล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาอากุศลต่อเนี่ยนะก็อยู่อย่างนี้แหละกิเลสนาแ น, น่นมากคําสอนที่ให้ไปแก่สัตว์ที่มีกิเลสนาแ น, น่นก็ไม่งคงเรียกว่าไม่คงอยู่และเขาเองก็ไม่สามารถอยู่ในฐานะโอวาทที่จะปฏิบัติตามโอวาทโอวาทก็จะขาดหายเร็วเหมือนรอยน้ําที่ขีดในน้ํา ถ้าใครเป็นเด็กๆเนี่ยจะชอบเล่นนะเล่นขีดในน้ำํำ ว, ác, ว ác, ักๆหน่ยนะน้ำมันละถ้าเป็นน้ําธรรมดาขีดวักหนึ่งมันก็จะเป็นค่อยๆเป็นคลื่นเป็นระลอกไปแต่ถ้าน้ําไหลแรงมาเนี่ยนะขีดไปเถอะเนี่ยนะพอไม้ผ่านมันก็หมดเหมือนกันอรอยขีดเนี่ยนะมันถ้าอายุน้อยๆมันก็เหมือนกับรอยขีดในน้ํายามที่มีสงครามจริงๆบ้านเมืองที่มีสงครามประกาศอริยาศาสตรู้เรื่องไหมโอยิ่งอายุสั้นเท่าไหร่นะยยิ่งพูดไม่รู้เรื่องเลยนะ ยิ่งไม่เชื่อบอกโอ้ยไหนๆเขาก็จะตายแล้วนะเขาหน้าจะรู้อริยสัจไม่เชื่อไปพูดให้คนที่ไม่สบายฟังดูเถะเอาเราเอางี้ดีกว่าตอนไม่สบายเนี่ยอยากอ่านพระไตรปิฎกไหมใครอยากพูดอริยสัจให้เราฟังไหมเราอยากจะฟังแต่อริยสัจอย่างเดียวไม่ต้องการรับรู้อย่างอื่นทั้งนั้นเลยใช่ไหมน้อยมากนะขนาดอะไรนะขนาดดีๆยังไม่ค่อยอยากจะฟังเลยนะฟังก็ยังแบ่งเวลาฟังเลยอางนั้นทำเป็นเหมือนสุ ข, ขุมอ่ะนะเหมือนแม้แม้เหมือนฉลาดมากแบ่งเป็นหมดอ่ะนะที่ไหนได้ไม่ใช่หรอก นะพั้นพวกที่อายุน้อยต่ํากว่าร้อยปีนั้นถือว่ารอยไม้ที่ขีดไปในน้ำจริงนะ ข, ของอมมาเองก็คิดนะถ้าเราไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกนี่แย่มันนะทำท่าก็คือมันก็ทั้งหมดนะั่นแหละยุคนี้นะโดยรวมแล้วเป็นอย่างนั้นเลยเนะเดี๋ยวเอาไปเอามาก็จะเหลือแต่เอติปิโสเอาไปเอามาก็จะเหลือแต่นะโมเอาไปเอามาก็ยกมือไหวผ่านอานะอย่างนั้นะนะนก็เป็นอย่างนี้แหละพรันถ้าหากว่า อายนุน้อยๆเนี่ยต้องเข้าต้องพยายามเข้าใจสภาพว่าถ้าเราเกิดมาในยุคมนุษย์อายุน้อยต่ำกว่าร้อยปีเนี่ ย, ถ, ยนะถือว่ายากนะถือว่ายากแต่ว่าจะได้บ้างก็ภาคเพียรพยายามอุตสาหะแรงกล้า ม, มากะนะเพราะเรากลุ่มเรียกว่านะรอยไม้ขีดในน้ํ่างนั้นเหมือนรอยไม้ในน้ำเนี่ยยากอย่างนั้นแหละนั้นต่ำกว่าร้อยปีนั้นจึงไม่ใช่เวลาที่สมควรเกินแสนก็ไม่ใช่เวลาต่ำกว่าร้อยก็ไม่ใช่สมัย แต่การเวลาอายุต่ำกว่าแสนปีลงมาสูงเกินร้อยปีขึ้นไปอันนี้ชื่อว่าเวลาอันสมควรแต่สำหรับพระโพธิสัตว์ของเราท้าเศษตษุเกตช่วงนั้นเป็นช่วงร้อยปีเป๊ะพอดีเลยนะพรหลัถัดจากนั้นมาก็จะเริ่มลดปกตินะอายุไข่เนี่ยนะถ้าแบบพูดเกณฑ์เฉลีย่ย ท, ทั่วไปเนี่ยท่านแนะแนวให้คิดบอกว่าร้อยปีลดปีรอปีลด ป, ลดปนะีประมาณร้อยปีอายุไขเฉลีย่ยมวลองรวมของมนุษย์จะลดปีหนึ่ง ร้อปีลดปีร้อยปีลดปีพันสมัยพุทธกาลอายุร้อยปีเศษเศษเป็นเรื่องธรรมดานะร้อยปีบ้างร้อยยี่ปีบ้างร้อยส0ร้ยสีก็พอมีอยู่บ้างแต่พอมาถึงยุคพวกเราเนะี่ยนะโอถ้าอายุร้อยกว่าปีนี่แหมอัศจรรย์มากเลยนะอยู่ได้ยังไงเนี่ยอยู่ได้ตั้งนานเนี่ยนะมันถ้าหากว่ามนุษย์ที่อายุน้อ ย, อยก็ไม่ใช่เวลาพองมาช่วงร้อยต่อร้อยปีพอดี วันถัดจากนั้นมาอายุน้อยอายุน้อยลงอายุน้อยลงแต่สําหรับพระโพธิสัตว์ตอนนั้นเห็นว่าร้อปีร้อยปีก็ได้เวลาอันสมควรแล้วละจากนั้นก็พิจารณาถึงทวีปอะมนุษย์โดยรวมในอายุร้อยปีก็จริงแล้วมหาทวีปทวีปทั้ง4พร้อมดังทวีปน้อยอะเรียกว่าเกาะเกาะเล็กๆน้อยๆทั่วไปเนี่ยประมาณ 2,000 เกาะเป็นบริวารเนี่ยทวีปแปล ว, ว่าเกาะทีปะเนี่แปลว่าเกาะ เกาะไหนบ้างที่พอที่จะมาเกิดและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าไม่เกิดในทวีปอื่นเกิดเฉพาะในชมพูทวีปเท่านั้นนี่ต่อไปสำรวจดูโอกาสก่อนโอกาสคืออะไรคือสถานที่ที่เกิดเนี่ยนะคือตําแหน่งอ่ะวิธีคิดของของพระโพ ธ, ธิสัตว์เนี่ยนะโดยเฉพาะชาติเนี่ยเขคือเหมือนกับมองจากเรดาร์มองลงมาแล้วค่อยๆแบบ ค่อยๆเก็บภาพไปเก็บเก็บเก็บเก็บลงจนถึงเจาะพ่อเจาะแม่เจาะชาติตกลูนะนะเรียกว่ามองจากบนลงล่างอนะเรียกว่าใช้ระบบเรดาร์หรืออขออภยัยใช่ระบบดาวเทียมเรียกว่ามองแบบคเครียกว่าภาพจากดาวเทียมแล้วค่อยยลดลดลดลดลดลงมาแล้วบอกเกิดตรงไหนนะท่านคิดแบบแค่ดูถ้าใครดูอะไรที่ระบบดาวเทียมนี่จะเข้าใจว่านะท่านจะค่อยๆสํารวจมาจากแบบนั้นลงมา แล้วก็ตรวจดูโอกาสว่าชมพูทวีปเนี่ยนะมีอาณาเขตบริเวณประมาณหมื่นยธพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเกิดที่ไหนก็เห็นว่ามัชชิมะประเทศตกลงว่าเมืองกบิลพัทนี่แหละเราจะเกิดณที่นั้นนะนะแม้เลือกได้เนปาลนนะนะทีนี้ก็ดูตระกูลอีกว่าแหมประเทศนะั้นอ่ะไม่ใช่วันน้อยๆนะแล้วตรงไหนอะ่ะตำแหน่งไหนอะ่ะจุดไหนอะ่ะ เป็นกษัตริย์หรือเป็นพราหมณ์ก็เห็นตระกูลว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ตะเกิดเ่ไมกิดในตระกูลแพทยหรือสูตรแต่บังเกิดเฉพาะสองตระกูลคือกษัตริย์และพราหมณ์สุดแท้แต่ว่าโลกยกย่องตระกูลไหนก็เกิดในตระกูลนั้นเรียกว่าอ้างตระชาติตระกูลปั๊บเนี่ยคนต้องเกรงใจอย่างเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นทำบุญถึงขนาดเราเลือกตระกูลเกิดได้นะเลือกแปลว่าเลือกนามสกุลได้จะเอานามสกุลอะไรล่ะก็เห็นว่าตระกูลที่ ที่รตระกูลกษัตริย์นี่แหละที่โลกเขาสมมุติเขายกย่องเขานับถือมากอารจะเกิดในต ร, กกระตรตรกูลกษัตริย์ตระกูลกษัตริย์มีใครเป็นบิดาเพราะมีตั้งอะไรพระเจ้าสุทโทธทนะสุโกโกธนะอมิโตทนะก็ไล่มาเรื่อยก่บสุทโทธทนะนี่แหละจกเป็นพระชนกของเราแล้วก็ตรวจดูแม่เพราะว่าพระเจ้าสุทโทธทนะมีหลายมเหสีนะนะพระนางมหามายามั่งพระนางโคตมีมั่งก็ดูแม่ก่อนนะนะดูพ่อได้แล้วดูแม่เอาแม่เอ า, เอาใครดี ก็ดูพิจารณาเห็นพระชนนีก็พิจารณาว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าพระพุทธมารดาคนที่จะเป็นแม่ของพระพุทธเจ้านั้นน่ะจะต้องไม่เป็นสตรีที่โลเลแล้วก็ไม่ใช่หญิงที่เมาเนี่ยนะไม่ใช่หญิงพวกนักเลงสุราโหเมาแออย่างนั้นไม่ใช่แต่เป็นสตรีที่บำเพ็ญบารมีมาแสนกับมีศีลไม่ขาดไม่วินมาแต่เกิดตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีเจตนาทุศีลห้าเลยอะ่ะต้องเป็นสตรีอย่างนั้นน่ะจึงจะเป็นแม่พระพุทธเจ้าได้ แต่สมัยหลังๆเนี่ยเขามายังเคยได้ยินเลยบางคนก็ตั้งความปรารถนาอยากเป็นแม่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเราก็นึกว่ามีแต่ในคำพีบอกเออคนที่คิดอย่างนี้ก็มีนะโอยอะไรจะวิ จ, จิตเท่ากับจิตไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะจิตวิจิตมากแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ตำหนีนะก็อนุมโมทนานะขอให้มันปรารถนาดีเถอะมันจะอีกเมื่อไหร่ก็ขอให้ตั้งอัธยาศัยดีๆเอาไว้เถิดเนี่ยนะวันนี้ทาไม่ได้ ไม่มีใครทําอะไรได้ภายในวันเดียวหรอกแล้วยิ่งสิ่งใหญ่ๆโครงการใหญ่ๆโครงการยิ่งโครงการใหญ่เท่ากับพระพุทธเจ้าคิดกันเป็นอสงไขยอสงไขยก็ไม่ได้คิดจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้หรอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไม่ได้ห้ามที่จะตั้งความปรารถนาะสําคัญก็ให้ปรารถนาดีๆเธอะเนี่ยนะปรารถนาอะไรก็ได้ที่มันดีอ่ะนะเรียกว่าเป็นอัตตะสัมมาปณิที่เป็นมงคลเนี่ยนะอย่าไปตั้งผูกเวรแม้ถ้าไม่ได้ดามันคงนอนไม่หลับถ้าอยังงี้ไม่ดีอ่ะนะ เธอคิดว่าจะต้องหาเรื่องให้ได้ถ้าอย่างนี้อันนี้เลิกเธออย่าไปคิดเลยไม่มีประโยชน์อันสรุปว่าคนที่จะเป็นพุทธมารดาเนี่ยนะจะต้องเป็นหญิงที่สร้างบารมีตั้งความปรารถนาเป็นพุทธมารดามาแล้วแสนกับตั้งก่เกิดมาศีลไม่เคยขาดเลยไม่มีเจตนาที่จะทุศีลเลยเพราะฉะนั้นพระนางมหามายาพราะองค์นี้เป็นเช่นนี้มีคุณสมบัตินางจักเป็นชนนีเป็นพุทธมารดาของเรา ที น, นี้ต้องเล็งลงไปอีกว่าตอนเนี้นางอายุเท่าไหร่ถ้าบอกว่าถ้าหากว่ากปกติแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์จะลงมาเกิดตอนที่แม่เหลือชีวิตอยู่แค่สิ บ, สบเดือนกับเจดวัน น, นะเพราะฉะนั้นก็ดูว่าอายุแม่เหลือเท่าไหร่นนะก็ดูแล้วว่าเออตอนนี้พระนางมีพระชนมายุเหลืออีกสิบเดือนกับเจ็ดวันก็สํารวจเนี่ยนะแค่เรียกว่าเล็งอะไรนะเล็งแบบโทนอีกครั้งว่าเล็งแบบใช้ ใช้อะไรนะดาวเทียมอ่ะนะผ่านดาวเทียมส่องมาทั้งทวีปเลยเอาตรงจุดไหนเขาบอกว่าถ้าทั้งโลกเนี่ยใช้ดาวเทียมประมาณ24ดวงก็ส่องได้ทั้งโลกนะท่นี้ก็ส่องลงไปว่าเอาตำแหน่งไหนก่อนแล้วค่อยลดลงมาอีกในพื้นที่บริเวณไหนลดมาจนถึงบ้านเมืองแล้วลดมาจนถึงตระกูลลดมาจนถึงว่าจะเอาแม่คนไหนเนี่ยนะก็เลือกแม่ได้เอาเลือกรู้ที่เกิดและอายุแม่เหลือเท่าไหร่เอาแล้วเล็งไปเกิดตรงนั้นได้เลยเนี่ยนะแม่นยําขนาดนั้นเลยกันเถอะ เสร็จแล้วพระโพธิสัตว์ก็พิจารณาเสร็จแล้วก็รับปฏิญญารับคําของเทวดาทั้งหลายว่าท่านผู้เนรทุกกว่าที่จริงเขาพูดกันดีนะเทวดาแต่บอกท่านผู้ปราศจากทุกโทษทั้งหลายผู้ที่มีแต่ความสุขนะผู้ที่มีความสุขทั้งหลายผู้เนรทุกขเนรทุกก็แปลว่าปราศจากทุกโศกโรคเวรภัยอันตรายนี่ยนะ เออใช่เวลานี้เป็นเวลาสมควรที่เราจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วละเนี่ยนะนะหรือว่าเป็นเวลาที่สมควรจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสําหรับเราแล้วก็ดีใจมากนะก็เลยส่งเทวดาเหล่านั้นบอกว่าพวกท่านกลับกันไปเถอะเนี่ยนะนะรับรองกันแล้วว่างั้นอ่ะเอาไม่ต้องเซ็นสัญญาเลยบอกไม่เซ็นอนะ่ะรับกันด้วยปากด้วยคําก็ใช้ได้แล้วเสร็จ แ, แล้วเทวดานก็ก็ออกจากชั้นดุสิตเนี่ยนะนะออกจากที่ที่ประทับคือวิมาน เทวดาชั้นดุสิตก็เวดล้อมพระองค์ก็เสด็จไปยังสวนนันทวันเขารว่าสวนนันทวันเนี่ยนันทะแปลว่าเพลิดเพลินวันวนะแปลว่าป่าแต่ว่าเป็นป่าไม้ดอกก็คือสวนที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินรื่นรมใจสวนนี้มันอัศจรรย์อย่างหนึ่งว่าเข้าไปแล้วไม่กลัวตายเนี่ยนะเข้าไปแล้วเพลิดเพลินแล้วไม่กลัวตายพอพระโพธิสัตว์ไปจนถึงสวนนันทวันเทวดาก็จะให้พระโพธิสัตว์ระลึกถึงโอกาสแห่งกุศลธรรมที่ทําไว้แต่ปางก่อน เอดีนะเออเนี่ยท่านทําบุญอ่าบุญตัวนั้นท่านก็ทํามาถ้าเป็นอะไรเทวดาก็าบอกทานท่านก็ให้มาศีลท่านก็รักษาภาวนาท่านก็เจริญเนคขมมะท่านก็เจริญปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขาท่านสร้างมาเยอะเนี่ยค่ะว่าแบบแบบอะไรนะพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับว่าผู้มีบุญมา ก, กนะจะเลือกเอาบุญตัวไหนนําเกิดก็ได้จะเอาตัวไหนนําเกิดดีเหมือนกันมีบุญมากขนาดนั้นอ่ะนะ ทีนี้พระโพธิสัตว์ก็อขออภัยเทวดาเหล่านั้นก็จะบอกว่าท่านจุติจากนี้แล้วขอจะจงไปสู่สุคติแล้วเที่ยวไปสําหรับเทวดาก็ถือว่ามนุษย์นี่เป็นสุคติของเขาเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นแหล่งที่สามารถจะเจริญบุญเจริญกุศลได้อย่างเต็มที่เนี่ยนะไม่มีโอกาสใดที่จะสร้างบุญเท่ากับมนุษย์โลกเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นสถานที่เรียกว่าค้าบุญค้าบาปกันเต็มที่เพางั้นเหรอ เป็นได้ทั้งบุญเป็นได้ทั้งบาปแล้วแต่ว่าใครจะมาเห็นว่าจิตควรจะเป็นบุญบุญกุศลจิตเป็นสาระหรือว่าอกุศลจิตเป็นสาระจะให้จิตเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามใจเพราะถือว่ามนุษย์เนี่ยเป็นแหล่งที่สร้างบุญได้เต็มที่เพราะฉันขอให้ได้ท่านไปสู่เป็นมนุษย์แล้วก็เที่ยวไปเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระโพธิสัตว์นั้นอันเทวดาเหล่านั้นให้ระลึกถึงกุศลแวดล้อมแล้วก็เที่ยวไป ในโวนอันทวันพระโพธิสัตว์ก็จุติมาถือปฏิสนธิในพระคันของมหาพระมานางมหามายาเทวีโดยดาวนกษัตริ์อุตเราะว่าอุตตราศาัตร์พระโพธิสัตว์นั้นเกิดในวันเพ็ญเดือน8ปดปฏิจุติจากดุสิตมาปฏิสนธิในพระคันวันเพ็ญเดือน8ในขณะที่พระมหาบุรุษทรงถือปฏิสนธิในพระคภ์พระชนนี น, นะ เขาบอกว่าทั่วมืนโลกธาตุก็หวั่นไหวพร้อมกันในคราวเดียวกันแสงสว่างอันโอฬานก็เกิดขึ้นบุพพนิมิตสามสประการก็ปรากฏขึ้นขณะที่ปฏิสนธิในพระคันเนี่ยนะผลหลังจากที่พระโพธิสัตว์ปฏิสนธิในพระคันตั้งแต่ปฐมังการะลังโหติตั้งแต่เป็นอะไรนะหยาดน้ําใสไหลมาเรื่อยเนี่ยนะจะมีเทพพระบทสี่องค์เนี่ยถือพระคันทําหน้าที่อารักขาเพื่อป้องกันอุปทวะเหตุแก่พระโพธิสัตว์ผู้ถือปฏิสนธิ และก็ถือดาบถืออาวุธเนี่ยคอยดูแลพระพุทธมารดาพระชนนีของพระโพธิสัตว์ด้วยประการชนีหลังจากอยู่ในคันแล้วก็โหเทพเขาเราียกว่าเทวดามาเป็นองค์ครักเลยนะแล้วเทวดาเนี่ยนะมันต้องมาแบบเท้าจาตุมมหาราชน ะ, ะถามว่าทําไมต้องเลือกทวเทวดาชั้นจาตุม้มเพราะว่าเทวดาชั้นจาตุ้มเนี่ยนะบริวารท่านมีหลายกลุ่มด้วยกันเช่นท้าวเวสวรร์เนี่ยยักษ์ดูแลเขาเรียกว่าเต็นเป็นหัวหน้ายักษ์ เพราะฉะนั้นถ้าออ้างชื่อเท้าเวสวร์ปั๊บเนี่ยยักษ์กลัวเพราะฉะนั้นเท้าเวสวร์ต้องมาเองบางทีเนี่ยท้าวีรูปักเนี่ยดูแลกลุ่มนาคคณะก็วิรูปักเขก็คือเท้าวีรูปักนั่นนะดูแลพวกพวกนาคก็ต้องเท้าวีรูปักมาบางพวกเนี่ยท้าพวกกลุมพันเนี่ยนะพวกยักษ์อีกตระกูลหนึ่งก็ต้องให้เท้าอ่าพวกเท้าอะไรเท้าตรัฐะนั่นนะเท้าวีรูหกะเท้าพวกอะไรกูเวยท้าเวสวร์เนี่ยท่านเหล่านี้จะต้องมาคอยอารักขา เพราะฉะนั้นบริวารพวกที่เรียกว่าเล่เล่เทๆๆเนี่ก็จะได้ไม่มารบกวนพระโพธิสัตว์ไม่มารบกวนมารดาของพระโพธิสัตว์หลังจากที่พระโพธิสัตว์เกิดในครันของพระพุทธมารดาแล้วเนี่ยนะจิตที่เป็นราคะฝักใยในชายไม่ได้เกิดขึ้นแก่พระมารดาของพระโพธิสัตว์เลยอ่า น, นะคือว่าตันหาในบุรุษไม่มีสําหรับแม่ของพระโพธิสัตว์นับตั้งแต่มีมีคันเนี่ยนะ พระชนนีนั้นประสบลาบอ่ะ น, นะเขาเรียกว่าลาบคือรายได้นม่มีมาก น, นะแต่ละอย่างเนี่ยเลิศยศก็เลิศมีความสุขพระวรากายไม่ได้ลําบากและขณะเดียวกันพระชนนีก็มองเห็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในครันคือพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นคล้ายๆกับวัตถุเรืองแสงเนี่ยเรืองแสงออกแป่งออกมาใช่ไหมแม่ก็จะมองเห็นว่าเออเนี่ยลูกของเราตอนเนี้ยเป็นอย่างนี้นะอย่างงี้ยนะก็มองเห็นลูกอยู่ในท้องตลอด เหมือนอะไรเหมือนได้ขาวร้อยเข้าไปในแก้วมันีอันใสฉะนั้นเนี่ยนะเหมือนร้อยได้ในแก้วมันีร้อยใสๆก็มองเห็นได้เลยแหละก็เพราะเหตุที่คันที่พระโพธิสัตว์อยู่เสมือนกับห้องพระเจดีะนะเหมือนกับเจดีที่เรียกว่าไม่สาธารณะแต่ชนเหล่าอื่นมันสัตว์อื่นไม่อาจจะอยู่หรือใช้สอยได้ฉะนั้นพระมารดาของพระโพธิสัตว์เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติคลอดได้เจวันต้องทากาละบังเกิดในสวรรค์ชั้น ดุสิตอันนี้ถือว่าเป็นธรรมเนียมมางั้นเถอะเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นคนที่ปรารถนาจะเป็นพุทธรรมมารดาก็เข้าใจตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยนะส่วนสตรีอื่นๆเนี่ยนะมีคันอาจจะมีถึงสิบเดือนก็มีเกินก็มีนั่งคลอดบ้างนอนคลอดบ้างฉันใดแต่สำหรับพระมานดาพระโพธิสัต์หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะอะไรเพราะมารดาของพระโพธิสัตว์บริหาร พระโพธิสัตว์ในท้องเนี่ยประมาณสิบเดือนแล้วก็ยืนประสูตรนี้เป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติของพระมารดาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแม้พนางมหามายาเทวีเนี่ยนะทรงบริหารพระโพธิสัตว์ด้วยพระคันสิบเดือนแล้วก็มีพระคันบริบูรณ์มีพระประสงค์จะเสด็จไปสู่เรือนญาติ นะคือปกติธรรมเนียมของคนอินเดียสมัยก่อนเนี่ยนะอันหนึ่งเลยก็คือการไปถ้าจะคลอดลูกต้องไปคลอดที่บ้านเรือนของตัวเองจริงๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วบางท่านเขาก็เล่าลักษณะนี้ว่าสตรีอินเดียเนี่ยนะช่วงคลอดลูกเนี่ยเปอร์เซนต์ถูกฆ่าก็เยอะเหมือนกันระวังกันนะนะถามว่าทําไมมันด้วยเหตุผ ล, ลหลายๆอย่างทางสังคมเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมเนียมอีกอันหนึ่งเรียกว่าเพื่อความปลอดภัยนั้นจึงกลับไปคลอดที่ ตระกูลของตัวเองอันนี้ถือว่าเป็นธรรมเนียมะนะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆสำหรับพระโพธิสัตว์อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นส่ะนะสี่ฝ่ายพระพระองค์ก็พนางะนะพะนางก็ปรารถนาที่จะกลับไปประสูต์ที่เรือนแห่งญาติก็กราบทูลเล่าให้พระเจ้าสุดโททนะมหาราชว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมกล่าวหม่อมชันเนี่ยนะปราอ่ใครจะไปเทวทหานคร พระราชาก็อนุญาตโปรดให้ทําทางเนี่ยตั้งแต่กรุงก บ, บิลพัทจนถึงเทวตหะให้เรียบร้อยเรียกว่าชําระทางให้ดีเสร็จแล้วก็ประดับด้วยต้นกล้วยหม้อน้ําเต็มนะนะเรียกว่าเอาต้นหมากต้นอะไรมาเรียงแถวจัดเรียกว่าจัดถนนให้ดีเลยแหละทั้งธงผ้าเป็นต้นให้ประทับนั่งในโวทองใหม่แล้วก็ส่งไปด้วยสิริสงอาด้วยบริวารกลุ่มใหญ่ระหว่างพระนครทั้งสอง ในระหว่างเมืองเทวทหะกับเมืองกบิลพัฒน์นั้นมีมงคลสารวันชื่อว่าสวนลุมพินีที่ควรใช้สอยของชาวนาครทั้งสองเป็นสวนที่ชาวเมืองทั้งสองก็มาม า, มาใช้สอยกันเนี่ยนะในมงคลสารวันนั้นสมัยนั้นต้นต้นสาระก็ออกดอกบานสับพร่งตั้งแต่โคนไปจนถึงยอดพระนางมหามายาพอมองเห็นป่านั้นน่ารื่นรมงงามเหมือนสวนนันทวัน อันเป็นที่สำเริงสําราญแห่งถวยเทพมีหมู่แมลงเพื่งอันเพื่งอื่นๆเลี้ยงดูผู้เพลิดเพลินในรสหวานที่ทําให้เกิดความยินดีอย่างยิ่งเป็นสวนที่น่าเรื่อนรม น, นะเป็นที่ที่พวกเพื่องยอยู่ด้วยความเมาว่างั้นมีรวงรังอันเสพแล้วร้องกระห่มอยู่ตามระหว่างเกิ่งและระหว่างดอกไม้ทั้งหลายเพราะว่าดอกไม้แท้เนี่ยต้องมีเพื่งตอมใช่ไหมดอกไม้คระะั้งก็ ถ้ายกย่องถึงพึ่งเยอะก็แสดงว่าป่าแถวนั้นทั้งมีกลิ่นหอมทั้งสรารพัดอย่างนะเลยลอย่างอยู่ด้วยกันพระเทวีก็มีความคิดจะเล่นที่สวนนะอยากไปชมต้ชมตกชมไม้ชมนกชมสวนไปเรื่อยนะก็กล่าวว่าสวนลุมพินีอันธรรมชาติประดับแล้วเป็นที่วันไว้ของคนปัญญาอ่อนแปลว่าคนปัญญาน้อยทั้งหลายมองเห็นแล้วแมใจเนี่ยวันไหวด้วยอะไรด้วยตันหา คนปัญญาน้นเห็นแล้วก็โอ้ยชงเงออยู่นั่นแหละดูดอกแล้วดอกเล่าดอกแล้วดอกเล่าเนี่ยนะเชื่อถ้าคิดให้มันดีๆนะถ้าจุติตอนนั้นจะไปไหนว่าเป็นผีเสื้อแมลงผู้แมล ง, มลงพึ่งอะไรก็ว่ากันไปอ่ะนะมันพวกหมูพมอนเนี่ยนะแต่งตัวแล้วก็ยำว่าชอบชมเชยมีหมูแมลงพึ่งประหนึ่งดวงตาของชนทั้งหลายคอยรุมจึงรุ่งเรืองอยู่ทุกเมื่อ ตอนที่สวนนั้นกําลังงดงามเนี่ยใครๆก็อยากเข้าไปเที่ยวไปชมกันเนี่ยพวกอัมมาก็กราบทูลพระราชาจริงๆแล้วพระราชาเสด็จมาด้วยนะพระเจ้าสุโธธนะมาด้วยกับพระมเหสีนั่นแหละว่าตอนนี้พระมเหสีอยากจะเที่ยวสวนพระราชาพระองค์ก็พาพระราชเทวีเข้าไปยังสวนลุมพินีวันพระนางไปยังโคนต้นมงคลสาละมีพระประสงค์จะจับกิ่งใดของมงคลสาระนั้นซึ่งมีลำต้นตรงเรียบและกลม ประดับด้วยดอกผลและใบอ่อนกิ่งมงคลสาระนั้นไม่มีแรงรวนเรเหมือนใจชนกันไหมพูดว่ารวนเรเหมือนใจใครแบบเหมือนใจคนนี่แหละมันเรรวนแบบนั้นมันวันไวไปหมดเลยว่างั้นไอ้ไอ้ต้นสาระเนี่ยนะมันก็มันเนี่ยน้อมเก่งเนี่ยมาจนถึงฝ่ามือของพนางลำดับนั้นพนางก็จับกิ่งสาระนั้นด้วยพระกรที่ทำความยินดีอย่างยิ่งข้างขวา ซึ่งงามด้วยกำไลพระกรอทองใหม่มีพระองคุลีกลมเกรงดังกรีบบัวนกนะ็เราเหมือนลำเทียนอ่ะนะอันรุ่งเรืองด้วยพระนากขานูนมีสีแดงเรียกว่าเล็บนางเนี่ยนนแดงพระนางประทับยืนจับกิ่งสาระนั้นมีอ่ะ น, นะเป็นพระราชเทเวีงดงามเหมือนจำทะเลขาอ่อนๆที่หลอดลืบที่ลอดหลืบ เ, ลลบเมฆสีเขียวครามเหมือนแสงเปลวไฟตั้งอยู่ได้ไม่นานเหมือน เหมือนพระเทวีที่เกิดในสวนนันทวันในทันทีนั่นเองลมก ร, ร ม, มชวาดลมที่เกิดจากเกิดจากกรรมของนางก็ไหวขณะนั้นชนเป็นอันมากก็กั้นม่านวิสูจนี่นะกั้นม่านเป็นกำแพงแล้วก็หลีกไปพนางเมื่อประทับยืนจับเก่งสาระอยู่นั่นเองพระโพธิสัตว์ก็ประสูติจากพระคันของพระนางขณะที่ประสูติเหมือนไรเหมือนกับพระธรรมกระถึกลงจากธรร ม, มาหรือม เคยเดินลงบันไดไหมบอกอย่างนั้นแหละทันใดนั้นเองเท้ามาหาพรหมผู้มีจิตบริสุทธิ์สี่องคอ์ผู้ที่มาตัวมารับเนี่ยนะมารับคันเนี่ยต้องเป็นพรหมอรหันด้วยนะพรหมผู้มีจิตบริสุทธิ์หมายถึงพรหมขี่นาศพผู้เป็นพระอรหันต์ก็ถือขายทองมารองรับพระโพธิสัตว์ด้วยข่ายทองนั้นวางไว้เบื้องพระพักของพระชนนีเสร็จแล้วเท้ามาหาพรหมก็ตรัสว่าดูก่อนพระเทวี ขอจงทรงยินดีพระไทยเถิดให้ดีใจเธอโอรสของพระองค์เนี่มีศักดิ์มากเกิดขึ้นแล้วเรียกว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากเลยนะปกติแล้วสัตว์อื่นๆเมื่อคลอดจากคันมารดาปกติจะเปะเปื้อนด้วยของปฏิกูลไม่สะอาดออกมาด้วยฉันใดแต่ว่าพระโพธิสัตว์หาเป็นฉันนั้นไม่พระโพธิสัตว์ไม่เหมือนกับเด็กอื่นไม่เหมือนกับอะไรคนอื่นดังนั้นอะ่ะไม่ต้องไปเปรียบถามว่าจะเปรียบเปรียบกับใครก็เปรียบกับพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายด้วยกันเท่านั้น เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์นั้นเหยียดพระหัตถ์ทั้งสองพระบาททั้งสองยืนแล้วก็ไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดใดๆจากสมภพจากในพระคันของพระชนนีหมดจดใสสะอาดรุ่งเรืองเหมือนมณีรัตน์อันเขาวางไว้บนผ้ากาสีก็บอกว่าเหมือนเพชรบนผ้าว่างั้นน่งออกจากพระคันพระชนนีปกติแล้วผิวของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะไม่เปื้อนด้วยน้ําพระองค์เนี่ยพูดตรงๆเลยไม่ต้องท่าส่งน้ําไม่ต้องเช็ดตัว อ น, นัฝุ่นก็ไม่เกาะเป็นพลที่เป่งปลั่งอยู่ตลอดเวลาจะเวลาไหนก็เปล่งปลั่งเหมือนกัเหมือนอะไรเหมือนแก้วมณีที่วางบนผ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะพระพ เ, เพื่อสักการะแก่พระโพธิสัตว์และชนนีของพระโพธิสัตว์ท่อน้ำสองท่อก็ออกมาจากอากาศเรียกว่าอาบลงที่สรีระของพระโพธิสัตว์แล้วก็อาบลงที่ พระชนนีของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพูดบอกบางคนบอกเป็นไปได้ยังไงท่อน้ําไหลมาจากอ า, ากาศยมไปดูไอ้ท่อข้างหน้าเนี่ยนะมีทั้งน้ำร้อนน้าเย็นมันไหลมาจากอ า, ากาศนะมันไหลออกมาได้ตรงไหนเอ่อก็นะยอมก็บอกว่าเอาน้ํามาถวายมาวานบอกนี่ต์ฉันน้ําทิพตเขาว่ากันเราก็นึกเอ้าน้าเป็นยังไงน้ําทิพตเก็บอกว่าน้ําที่ปราศจากท่อแต่เปิดก๊อกแล้วไหลได้นะก็บอกพวกเราทําบุญมาเท่าพระโพธิสัตว์ไหมล่ะเออ ไม่ได้เท่าเลยแต่ขนาดนั้นก็ยังมีอะไรนะท <g ock> ่อก๊อกน้ําร้อนก๊อกน้ําเย็นอยู่2ก๊อกใช่ไหมเอามาหลือไปดูไม่ได้เคยไปกักตากเองหรอกนะหลย <g ock> ไปเห็นล้วนะ <g ock> มีทั้งน้ำร้อนมีทั้งน้ําเย็นแล้วก็ไม่ได้ต่อสายมาจากไหนก็สูดมาจากอากาศเพราะฉะนั้นอาถือว่าเรื่องนี้เนี่ยผ่านไปใช่ไหมเอาคนมีบุญเนี่ยนะแต่บางคนเนี่ยคนที่บุญน้อยเนี่ยชอบเอาไปเปรียบบอกมันจะเป็นไปได้ยังไงน้ํามาจากอากาศเป็นต้นนะบอกเป็นไปแล้วสมัยใหม่ไม่มีบุญขนาดเราเยังดื่มน้ําจากอากาศเลยใช่ไหม ลำดับนั้นเท้ามหาราช ท, ทั้งสี่ก็เอาผ้าขนสัตว์ที่มีสัมผัสสบายซึ่งสมมุติกันว่าเป็นผ้ามงคลนี่นะรับจากพระหัตถ์ของเท้ามหาพรหมปกติพรหมนี่จะอุ้มให้ให้แม่เนี่ยดูก่อนพรหมอาราหันตะ์อุ้มให้ดูก่อนเสร็จแล้วเท้ามหาราชคือเท้าจาาตุมมหาราช ท, ทั้งสีองค์ก็เอาผ้าขนสัตว์มารับจากมือของเท้ามหาพรหม แล้วก็ยืนรับพระโพธิสัตว์ไว้ด้วยตะขายทองมนุษย์ก็เอาเบาะผ้าเนื้อดีรับจากพระหัตถ์ของเท้ามหาราชทั้ง4นั้นพระโพธิสัตว์พอพ้นจากมือมนุษย์ก็ยืนอยู่ที่แผ่นดินมองดูทิศตะวันออกหลายพันจั ก, กรวาลก็มีลานเป็นอันเดียวกันบอกพอมองปั๊บเนี่ยไม่ได้มองแค่16โยชนะหรือมองแค่1020กิโลมองเห็นเป็นพันจั ก, กรวาลในทิศตะวันออก เอางี้เลยว่าจั ก, กรวาลเนี่ยสมมติถ้าเรามองไปทิศตะวันออกนะถ้าเห็นหนึ่งจั ก, กรวานเอาเม็ดทรายมานับเม็ดหนึ่งใ่งจั ก, กรวาลถ้าทรายแสนเม็ดก็แสนจั ก, กรวาลถ้าทรายล้านเม็ดก็ล้านจั ก, กรวาลบอกว่าทรายทั้งโลกหมดไปก่อนจั ก, กรวาลในทิศตะวันออกยังไม่หมดแต่นี้ยกตัวอย่างพระองค์เนี่ยมองเห็นเป็นพันจั ก, กรวาลข้างหน้าเทวดาและมนุษย์ในที่นั้นเมื่อบูชาด้วยดอกอดอกไม้ของหอมพวงมาลัยเป็นต้นก็ทูลว่าข้าแต่พระมหาบุรุษ ผู้ที่เสมอเหมือนกับพระองค์ในที่นี้ไม่มีทั้งหมดในทิศตะวันออกไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนกับพระองค์เลยผู้ที่จะยิ่งกว่ามีมาจากที่ไหนระดับเสมอยังไม่มีเพราะฉะนั้นระดับเสมอยังไม่มีสูงกว่าไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นไม่มีไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้วพระองค์ก็เหลียวดูทิศทั้งสิทิศนะทิศใต้เอ่อก็ทิศหมายคือว่าทิศข้างหน้าทิศข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็เฉียงเฉียงอีกอก็สับวางอีก ตนนะก็รวมเป็นแปดทิศทิศบนทิศล่างสิบทิศพระองลืมตาดูหมดแล้วไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนจะกล่าวไปใยญยถึงคนที่ยิ่งกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วพระองค์ ก, ก็บ่ายพระพักมุ่งไปยังทิศอุดร อ, อุดรเนี่ยแปลว่าทิศเหนือทิศเหนือก็แปลว่าพ้นโลกอเหนือคนอื่นหมดมันสูงมากานะถ้าใต้แปลว่ามันต่ําลงไปใช่ไหมเทียบกับน้ําทะเลแล้วถือว่าต่ําถ้าสูงกว่าน้ําทะเลขึ้นไปก็เรียกว่าเหนือสูงขึ้นไปพระพุทธเจ้าถือเอาทิศเหนือ ทิศที่พ้โลกทิศที่สูงที่สุดว่างั้นเถอะพระองค์ก็มุ่งไปยังทิศอุดรดําเนินไป7จเก้า น, นะเมื่อดําเนินไปก็ดําเนินไปบนแผ่นดินนั่นแหละไม่ใช่ดําเนินไปในอากาศไม่มีผ้าปกปิดดําเนินไปไม่ใช่อ่ามีผ้าไม่ได้นุ่งผ้าเป็นเด็กเดินไปไม่ใช่เป็นเหมือนกับเด็กหนุ่มอายุ16ขวบเดินไปแต่ทุกคนมองเห็นเหมือนพระโพธิสัตว์นั้นอ่ะ ไปทางอากาศเหมือนท่านเหาะเดินหรือว่าเดินเหาะไปเนี่ยนะหรือเหมือนประดับตกแต่งเหมือนกับเด็กอายุ16ปีเหมือนชายหนุม่มอายุ16ปีแต่จริงๆแล้วไม่เพิ่งคลอดแต่นั้นย่างก้าที่7ก็หยุดนะเดินไปครบ7จ็ก้าก็หยุดแปลงอาสพิวาจาวา่าอะโคหมามัสมิโลกัสะเชทโทหมามัสมิอ่านะเชธโทเศธโทอ่านะหมามัสมิอยะมันตินติชาณิปุณาโวะ เราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเนี่ยนะนะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปนติชานิปุณหพวต่อไปปฏิสนที่ในชาติใหม่ไม่มีแล้วนะการมาอยู่ในคันของพระพุทธมารดาครั้งนี้ถือว่าอยู่ครั้งสุดท้าย